อันธรรมยังธรรมาภิคีติงกโรมเซนสวากาตาตาที่คุณโยขาวาเซนาเซยโยประธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นตน้น โยมขาปปะกปริยติวิโมคเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและนิพพานธรรมโมกุโลกะปะตาะนาตะทะทาริธารีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ว วันธามะนั่งตาม a รังวรธรรม a t h ตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธรร ม, มโยสะพะปานีนังสารางเคมะมุตตามัง พระธรรมใดเป็นสารณะอันกเกสมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติธานังวันธามิตังสิเรนังข้าพระเจ้าว่ายพระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระรึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล่าว ธรรมะมสานาสมิาโสวาธรรมโมเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นธาตุของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจา้าธรรมโมทุกัสสคาตาจาวิทาตาจาิตาสเม พระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าธรรมะสร้่งนิยามิสาริรันชีวิตตันติทางข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันโตทั้งจริสามี ธรรมมาเสวะสุธรรมมตังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จากประพฤตตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนาทเมสระังอันยางธรรมโมเมส ร, รนังวรังสารณอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระธรรมเป็นสา ร, รณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจวาเชนาวาเธออย่างสาธุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา ธรรมงเมวันธมามเนนายางปุญยังปะสุตังอีทาข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระธรรมได้ควรควายบุญใดในบัดนี้สาเพปิอันตรายาเมมาเฮสุงตัดสาเตจัสา อันตรายทั้งปวงยาได้มีแก่ข้าพเจา้าด้วยเดชแห่งบุญ น, นั้นกาเยนวาจายวาเจตาสาวาด้วยกายกด็ดีด้วยวาจากด็ดีด้วยใจยกด็ดีทามเมกุกรมมังปะกะตังมายายัง กรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทาแล้วในพระธรรมธรมโมปฏติคันหตุอัจจะยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตเรสังวริตุงว่าธรรมเมเพื่อการสํารวมระวังในพระธรรมในการต่อไป